องค์6แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6กพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศิลวิบัติในอธิศิน 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชฌาจารสา 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอัติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 5. เป็นผู้มีปัญญา6มีภรษาครบ5หรือมีภรษาเกิน5ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลพึ่งอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บหก